ครูที่มาช่วยทำงานไม่ได้เป็นมืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นก็อาจจะมีดังว่างค่อยบ้างก็ยังดียังขอว่้มันมีเสียงก็ยังดีก็ไม่มีพที่นี้ไม่มีไม่มีค่าจ้างมีแต่ศรัทธา มาด้วยความศรัทธามาด้วยความเสียสละมาเพื่อบุญไม่ได้มาเพื่อหวังผลตอบแทนทางด้านวัตถุมาเพื่อหวังผลตอบแทนทางด้านจิตใจทางด้านบุญกุศลซึ่งมีคุณค่ากว่าทางด้านวัตถุทางเข้าของเงินทองต่างๆ พระบุญกุมลนี้เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ของใจส่วนข้าวของเงินทองนี้เป็นทรัพย์ของร่างกายร่างกายก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องตายกัน 80-90 บปีทรัพย์ภายนอกคือข้าวของเงินทองต่างต่างก็ต้องหมดไปกับร่างกายมีเท่าไหร่ก็กลายเป็นของร่างกายของคนอื่นไป ร่างกายของลูกของภรรยาของสามีของหลานของใครกต็ตามใจเอาเข้าของเงินทองของร่างกายไปไม่ได้เอาไปได้ก็คือบุญกุศลเป็นเข้าของเงินทองของใจให้ความสุขกับใจเหมือนกับให้ความสุขกับร่างกาย เราต้องมีทั้งสองอย่างเพราะว่าเรามีสองส่วนเรามีร่างกายแล้วเราก็มีจิตใจร่างกายก็ต้องการเข้าของเ ง, งินทองไปเล่นดูให้อยู่อย่างสุขสบายไม่ทุกข์ยากลําบากส่วนใจก็ต้องมีบุญมีกุศลเพื่อจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย บางทีเรามีความสุขทางร่างกายแต่ใจเราไม่สบายไม่สุขนั่นก็เพราะว่าใจเราขาดบุญกุศลขาดข้าวของเงินทองที่จะมาให้ความสุขกับใจเพราะเรามัวไปหาข้าวของเงินทองให้กับร่างกายจนลืมหาข้าวของเงินทองให้กับใจนั่นเองใจเราก็เลยไม่สบาย ม่วุ่นวายใจเสีย อ, อกเสียใจว้าเหว่เศร้าส้อยน้อยเงาเนี่อาการของใจที่ขาดบุญกุศลจะเป็นอย่างนี้นจะไม่สดชื่นเบิกบานไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสจะหน้าเบ่อเตึงจนเศร้าส้อยห้อยเงายิ้มก็ยิ้มไม่ออก ทา ง, งที่มีข้าวของเงินทองทางร่างกายด้วยะแต่หน้าตากลับบึ้งตึงหน้าตากลับไม่สดใสเบิกบานพราะใจไม่มีบุญไม่มีกุมมสมนั่นเองอย่าง น, นเราอย่าไปมองที่ข้าวของเงินทองเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันให้ความสุขเพียงครึ่งเดียว ให้ความสุขทางร่างกายแต่ความสุขทางจิตใจมันไม่สามารถให้ได้บางคนมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่ใจกลับไม่มีความสุขเพราะไม่มีบุญไม่มีกุศลให้กับใจนั่นเองบางคนมีเงินไม่กี่ตงแต่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานตลอดเวลาเพราะมีบุญมีกุศลมาก มีความสุขทางใจมากดูพระพุทธเจ้าของเราท่านก็หลังจากที่ท่านสละราชสมบัติสละข้าวของเงินทองแนละ้วท่านก็อยู่แบบขอทานแต่ใจของท่านนี้เติมไปด้วยบุญด้วยกุศลอยู่อย่างบาลมสุขปาลามสุขขังนินานมาณังบาลามสุขขังใจของท่านได้รับบุญกุศลอย่างเต็มเปีย่ยม ภายในหัวใจอย่างมาเสถียรที่ไปบวชก็เหมือนกันพอบวชแล้วนี่อดที่จะอุทานไม่ได้ว่าสุขเนอสุขเนาะพระไม่รู้ว่าท่านระบุธรรมแล้วก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าไม่สำรวมพระพุทธเจ้าสอบถามท่านก็บอกว่าสมัยที่ผมไม่ได้บวชผมมีเข้าของเงินทองเต็มไปหมด แต่ผมไม่เคยพบกับความสุขแบบนี้เลยผมค้ำเคร่งกับการหาเงินหาทองกับการดูแลรักษาเงินทองแทนที่จะมีความสุขกับเงินทองกับเคร่งเครยดกับการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพอผมมาบวชผมสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลจนเต็มเปลี่ยนไปในหัวใจ ใจของผมก็เลยมีแต่ความสุขตลอดเวลาจนทําให้ผมอดอุทานออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุกหนาะองแต่ตเจ้าควารักก็บอกว่าถ้าไม่สํารวมแบบนี้ไม่เป็นไรไม่สํารวมแบบคนที่ไม่มีสติสํารวมแบบคนที่มีสติไม่สํำรวมแบบคนที่มีสติส ร, บบสตรู้ว่ากําลังอุทานรู้ว่ากําลังอะไรแต่ เพราะความสุขที่มีเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจนิพพานังปลามังสุขขันความสุขของพระนิพพานเป็นบรมประสบไม่มีสุขไหนเหนือกว่าความสงบ ส, สุขใดในโลกนี้ไม่สามารถที่จะดีกว่าความสุขที่ได้จากความสงบได้นี่แหละคือบุญกุศส นี่พวกเรามาทำกันขอให้เราทำให้มากว่าเพราะมันเราสามารถหามันได้มากกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหาได้มากเท่าไหร่ก็มีคุณค่าเท่ากันคือถ้าเรามีพอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายแล้วแต่ให้มีมากอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่ามันก็ ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้มากไปก่อนนั้นไม่ได้ให้ความสุขมากไปก่อนนั้นความสุขที่ได้ก็ยังเท่าเดิมอยู่เช่นกินอาหารเนื่อละห้าร้อกับกินอาหารเนื้อละห้าหมื่นมันก็อย่งเหมือนกันซื้อเสื้อผ้าชุดละหมื่นกับซื้อเสื้อผ้าชุดละแสนมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกัน ต้องหอได้เหมือนกันได้ความสดเท่ากันอยู่บ้านหลังละละ้านหรืออยู่บ้านบ้านหลังละสิบล้านมันก็บ้านเหมือนกันมันก็เป็นที่หลบแดดหลบภัยอะไรต่างๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรทําให้วิเศษไปฝาเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติทางร้างกายนี้มันมีขอบเขตในความสามารถที่จะ ให้ความสุขกับร่างกายมีมากไปกว่านั้นมันก็ไม่ทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรพระสองอค์เจ้าท่านก็มีไม่มีอะไรมากแต่ทางด้านัดถือข้าวของเงินทองแต่ท่านก็มีพอที่จะให้ได้ความสุขเท่ากับคนที่มีเงินร้อยล้านพันล้าน อาหารได้มาจากบินกระบะกินแล้วอิ่มมันก็เหมือนกับอาหารที่ไปกินตามโรงแรมกินตามโรงแรมมื้อละห้าพันอาหารบินกบาบะฟรีอิ่มเหมือนกันอย่างไงดีกว่ากันกินของฟรีไม่ดีกว่าไปกินเสียเงินต้องห้าพันห้าหมื่นทำไมมันก็อิ่มเหมือนกันได้ความสุขเท่ากัน คือความอิ่มความสุขของทางร่างกายก็คือความอิ่มสายทีวอนในกาแฟตัวนึงนี่ก็สายได้หลายปีสายได้ทุกเวลาไม่ต้องคอยเปลี่ยนชุดเช้าชุดกลางวันชุดเย็นไม่ต้องคอยเปลี่ยนชุดลำลองชุดไปทำงานชุดแต่งานเรี้ยงไปงงานอะไรต่างๆหลายร้อยชุด หาเงินหาทองแทบเป็นแทบตายเราก็ต้องมางกังวลกับการเปลี่ยนชุดอีกเราไปไหนก็ต้องนั่งคิดหัวแตกว่าจะใส่ชุดไหนดี <c oughs> หรือใส่ไม่ถูกชุดเดียวก็ดวนต้องตังค์อเกว่าเฉยอีกมีชุดเดียวนี้ม่มีขาการกล้าตัณฑ์ไปได้ทุกไปได้ทุกแข่งทุกคนไปในวันก็ใส่ชุดนี้ไปไปบินธบาทขอทานก็ใส่ชุดนี้ไป งานศพก็ใส่ชุดนี้ไปงานแต่งงานก็ใส่ชุดนี้ไปมีชุดเดียวไม่เฉยชุดสากลใช้ได้ทุกแห่งทุกคนมก็ถ้ามีรอยปากก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะจีวรของพระนี่มีรอยปากทุกทุกอันซื้อมาใหม่ๆเขาก็ปะหมนแล้วเนี่ย มีรอยปากทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยมีตะเข็บเหงนไ้เนี่ยรอยปักไม่ได้เป็นผ้าผืนเดียว<ม>เดินที่พระท่านไปเก็บเศษผ้ามามามาปะมาเย็บมาติดมาต่อเพราะว่าไม่มีใครถวายผ้ า, ผาเป็นผืนเป็นผ้านะก็ต้องไปเก็บผ้าหอ่อศพผ้าที่ถูกเก้งไว้ตามป่าชาตามกองขอยะ เก็บมาสะสมไว้พอได้จํานวนที่จะมาปะมาเย็บก็มาเย็บมาปะมันมาม า, มาติดมาต่อมันจนเป็นถืนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผ้าของพระเดิมเทนี่เป็นผ้าเสศษผ้ามาม า, มาตัดมาต่อมาติดกันเหมือนกับของญาติโยมที่เขาเอาผ้าหลากหลายหลากสีมามาตัดมาเย็บมาติดมาต่อกัน ต่อมาคนศรัทธาก็ เ, เลยถวายผ้าเป็นผ้าผ้าเป็นผืนแต่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็มาตัดมามาเย็บมามาติดมาต่อใหม่เพราะว่ามันจะได้เป็นผ้าไม่มีค่าไม่มีราคาเพราะถ้าเป็นผ้ามีราคาเดี๋ยวตากไว้ขโมยมาขโมยไปได้ผ้าอยู่ในป่า บาทีไปตากผ้าไว้แล้วอาจจะไปเดินโยกงงไปนย่งสมาธิถ้ามีผ้ามีราคาเหลี่ยมก็ขโมยก็มาขโมยนีถ้าเป็นผ้าผื้นเป็นผ้าผื้นที่เขาไปใช้ได้เอาไปตัดเสื้อผ้าไปทำอะไรได้แต่ถ้าเป็นผ้าที่มันเป็นผ้าผ้าที่มาตัดมาต่อมาเย็บมาติดกันนี่มันไม่มีคุณค่าราคา นี่แหละคือผ้าของพระที่หกนี่ย้าจีวรที่ท่านเรียกว่าเป็นขันผ้าจีวรของพระนี่มีห้าขันเจ็ดขันเก้าขันขันก็คือขนหดของผ้าผืนหนึ่งห้าขันก็มีผ้าห้าชิ้นต่อกันเียกนผ้าห้าขันถ้าเจ็ดขันก็มีผ้าเจ็ดชิ้นต่อกันพรธจ้าไม่ให้เป็นผ้าผืนเดียวให้อำมาตัดอกมาทำให้มันเป็น เปนเศษผ้าก่อนแล้วก็ามาตัดมาเย็บใหม่จะได้ไม่เป็นข้าของที่มีคุณค่าราคาจะได้ไม่มีขโมยมารับไปใช้แขวนไวาที่ไหนตากว่าที่ไหนก็สบายไม่ต้องกังวลนอกจากปลเท่านัลิงทนนออกไปเล่นเรไม่ได้ไปทําอะไรยั้นถ้าอยากจะอยู่อย่างสุขสบายทางร่างกาย อย่ามีทรัพย์สมบัติข้าวของที่มีค่าเพราะจะทำให้เราไม่สบายใจกันเพราะเราจะต้องคอยกังวลคอยรักษากันคอยดูแลแล้วเวลาหายไปก็เสียดายเสียใจแต่ถ้าใช้ของเก่าๆนี้ไม่มีใครขโมยรถเนี่ยถ้าเป็นรถโกโลโกโสงีจอดไว้ที่ไหนไม่มีใครขโมยต้องซื้อรถใหม่มาจอดไว้สิเดี๋ยวเผยออกมาหายไปละ อย่าไปมีของมีค่าเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องมีของไม่จำเป็นจะต้องใช้ของมีค่าราคาขอให้มันใช้ได้ประโยชน์ก็พอเราจะสบายใจใช้ของเก่านี้สบายใจกว่าใช้ของใหม่เวลาได้ของใหม่มาใจมันจะหวงจะห่วงแต่พอเป็นของเก่านั้นมันไม่ค่อยหวงค่อยห่วงเลย นี่คือเรื่องของข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีคอยรู้ว่ามันเป็นสมบัติชั่วคราวมันไม่เป็นสมบัติยั่งยืนเหมือนกับบุญกุศลบุญกุศลนี้เป็นข้าวของเงินทองภายในเรียกว่าทรัพย์ภายในหรืออาลยทรัพย์เป็นทรัพย์ของจิตใจจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย พอไม่มีร่างกายจิตใจก็ต้องไปท่องเที่ยวอยู่ในโลกท่องอยู่ในโลกทิพย์เมื่อต้องในโลกทิพย์ก็ต้องใช้ใช้เงินทิพย์ใช้บุญกุศลบุญกุศลนี่เป็นเหมือนเงินทิพย์ถ้าไม่มีเงินทิพย์ติดตัวไปก็ไปแบบขอทานเนี่ยที่พวกเราส่งบุญกุศลไปเนี่ยก็ส่งให้พวกที่ไม่มีบุญกุศลติดตัวไปก็ไปแบบขอทาน ต้องมาคอยรับทานจากพวกที่ทาบุญทาทานกันแต่ถ้าพวกที่ทำบุญทำทานอยู่เป็นประจามีบุญกุศลติดตัวไปไปก็ไปเที่ยวแบบเศรษฐีไปท่องเที่ยวเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศไปพักตามโรงแรมหรูหราไปกินอาหารร้านอาหารหรูหราไปเที่ยวแบบหรูหรา ก็มีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆมีเงินทริปพวกนี้เก็เทวดาพวกที่มีบุญกุศลติดตัวไปมากๆนี่เป็นพวกเทวดาได้ไปท่องเที่ยวในโลกทริปโลกทริปก็เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับฝันดีเวลาเราฝันดีฝันว่าเราไปพบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สถานที่นั่นที่นี้บุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้ ได้ทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างมีความสุขนั่นแหละคือการท่องเที่ยวในโลกทิพย์ท่องแบบแบบที่เรานอนหลับฝันไปตอนที่เรานอนหลับฝันเราก็ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันแต่เป็นการท่องเที่ยวเดี๋ยวเดียวเพราะเดี๋ยวพอร่างกายตื่นขึ้นมาเราก็ต้องกลับออกมาจากโลกทิพย์เข้ามาสู่โลกของร่างกายเวลานอนหลับนี่เราทิ้งร่างกาย เราออกจากโลกของร่างกายคือโลกกระถางแล้วเราก็ไปท่องในโลกทิพย์เนี่ยโลกทิพย์ก็มีทั้งโลกที่ดีกับโลกที่ไม่ดีส่วนที่ดีก็สวรรค์ส่วนที่ไม่ดีก็อาบายถ้าฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าเรากำลังไปท่องในอาบายกันฝั ว, นว่ามีคนมาตามฆ่าตามล่างตามผาน เพาว่า ม, มีแต่เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นกับเราอันนี้แหละเีว่าเรากำลังท่องในท่องในโลกโลกทิศที่เป็นอบายอันนี้สงผลเกิดจากการที่เราทำความไม่ดีกันทำบาป ก, กันขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราเบียดเรียนรังแกข่มเหงเอาลัดเอาเปรียด ทำร้ายผู้ทำลายผู้พอเรานอนหลับเราก็จะฝันร้ายกันถ้าเราทำดีทำบุญช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเวลาเราหลับเราก็จะฝันดีฝันดีก็คือไปสวรรค์กันนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเรา ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของเรานี้ต้องการบุญกสมลทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วขณะที่มีชีวิตอยู่จิตใจก็เบิกบานแจ่มใสมีความสุขแต่แน่ว่าร่างกายจะทุกข์ยากลำบากจะเจ็บไข้ได้ปวด่ความสุขของใจนี้ ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ของทางร่างกายไม่มความทุกข์ของทางร่างกายไม่มาทำลายความสุขทางจิตใจทาจิตใจมีความสุขถึงแม่ร่างกายจะมีความทุกข์จิตใจก็ยังสุขสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลทุกข์ยากลนบากต่างๆของทางร่างกายเพราะจิตใจ มีความสุขจากบุญจากกุศลนั่นเองนี่คือประโยชน์ของบุญกุศลที่เราจะได้รับทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจเราก็ยังมีบุญกุศลไอว้คอยดูแลรักษาให้เราอยู่อย่างมีความสุขไปเรื่อยๆหลันคนที่จะทำบุญกุศลมากกว่า ท ำ, ทำเงินทำทองกันเงินทองก็หาคอให้น่ากายอยู่ได้ก็พอแล้วดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนท่านก็หาแต่เงินทองแต่ใจท่านไม่มีความสุขเลยใจท่านท่องเพ่งกับการหาเงินหาทองท่องเพ่งกับการดูแลรักษาเงินทองท่องเพ่งกับบุคคล น, นั้นบุคคลนี้หัวคนนั้นหัว ค, คนนี้น ใจไม่มีความสงบเพราะใจไม่มีกุศลตอนหลังมาจับประเด็นได้ว่าออใจต้องการกุลกุศลใจต้องการความสงบ ก, ก็เลยสะละราชสมบัติเอาให้ให้มีอาหารให้เราก็ไปอยู่แบบขอทานพอให้มีอาหารอยู่ได้เป็วันวันหนึ่งก็พอที่วัวไส้ก็ไม่เดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ตามคนไม้อยู่ตามเงื้อผา อยู่ตามเนอนล่างอยู่ตามท่าหาที่อยู่ไปเหมือนกับพวกสัตว์ป่าที่ก็หาที่อยู่กันทานั้นท่านก็มีความสุขทางร่างกายแล้วท่านก็มาหาความสุขทางใจมาสร้างบุญสร้างกุศลนะโดยการไม่เบียดเบียนผู้ไม่ทำร้ายผู้อื่รักษาศีลไม่ทำบาปแล้วก็มา ทำใจให้สงบบุญก็สศนที่สูงสุดก็คือบุญที่เกิดจากการทําใจให้สงบบุญนี่มันมีหลายระดับเหมือนกับเงินทองมีหลายหลายชนิดหลายขนาดเงินก็มีธนบัตรใบละ 20, บยี่สิบใบละห้าสิบใบละร้อยใบละห้าร้อยใบละพันนี่บุญที่เราทํากันก็มี หลายระดับบุญที่เราได้จากการทำทานบุญที่เราได้จากการรักษาศีลบุญที่เราได้รับจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบบุญที่เราได้รับจากการมีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาอันนี้จะเป็นบุญที่มีขนาดไม่เท่ากันมีปริมาณไม่เท่ากันบุญที่เกิดจากการทำทานก็เหมือนกับแบ้ยี่สิได้ห้าสิบ บุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็เหมือนกับแบงค์ร้อยบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็เหมือนแบงค์ห้าร้อยบุญที่เกิดจากการมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมก็เป็นเหมือนกับแบงค์ผ่านการที่จะหาเงินในห า, หาบุญในแต่ระดับมันก็มีความยากง่ายต่างกันไปบุญที่ระดับ ยี่สิบาทห้าสิบาทมันก็หาง่ายหาเงินยี่สิบาทห้าสิบบาทนี่มันหาง่ายกว่าหาเงินร้อยบาทนี่หาเงินร้อบาทก็ง่ายกว่าหาเงินห้าร้อยบาทนหาเงินห้าร้อยก็ง่ายกว่าหาเงินพันบาทเนี่ยฉะ้วเราก็ต้องเริ่มจากจากระดับที่เราหาได้ถ้าเรายังเรายังหาได้เพียงยี่สิบห้าสิบเราก็หาเงี้ยไปก่อน ทำทานนี่มันง่ายที่สุดอยากจะได้เุินก็เสียย้อมเสียสละแทนที่จะเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็เอาเงินนี้มาทมําบุญแทนอันนี้ก็ง่ายง่ายกว่าการรักษาศีลใช่ไหมรักษาศีลมันยากกว่าเดี๋ยวก็อดที่จะโกหกไม่ได้นะเดี๋วก็อดที่จะตอดเงินไม่ได้นะเดีวก็อดที่จะ โกงไม่ได้นะชอบโกงนักเล็กขโมยน้อยอันนี้เป็นของที่ยากกว่าแต่ก็ไม่สุดไม่ใสถ้าฝึกทำเรื่อยๆก็จะทำได้ถ้าทำทานบ่อยๆจะทำให้รักษาสีง่ายๆง่ายกว่าคนไม่ทำบุญทําทานเพราะคนทําทานนี้จะมีความคิดที่ดีต่อผู้อื่น แล้ต่อไปเวลาทำอะไรนี้จะระมัดระวังจะไม่อยากให้ผู้อือ่นเดือดร้อนจากการกระทำเพราะคนทำบุญนี้อยากจะให้คนคนอื่นมีความสุขจึงทำตัวอง่อยายิโยงเราเข้าวของเงินทองมาให้พระเพื่อให้พระอยู่อย่างมีความสุขกันเ <c oughs> มื่อเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นการที่เราคิดจะไปทำร้ายผู้อื่นมันก็จะไม่มี เราก็จะไม่อยากจะทำร้ายผู้อื่อยากจะให้คนอื่นเ้ามีความสุขแล้วเราจะไปทำร้ายผู้อื่นได้ไหมต่อไปเราก็จะรักษาสินญาติถ้าเราทาบุญมากขึ้นมากขึ้นทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นใจเราจะมีความเมตตามากขึ้นมีความกังยามากขึ้นมีความรักมีความสงสารในผู้อื่น<ม>ก็จะไม่ทาบาปได้ พอจะทำบาปก็ไม่สบายใจนะทำเราให้เขาเดือดร้อนเราเคยแต่ทำเราให้เขามีความสุขแล้วเราก็ได้รับความสุขจากการที่เราให้ความสุขกับเขาในเราทำบุญนี่เราจะได้ความสุขใจว่าเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นพอเห็นผู้อื่นเขามีความสุขจากการกระทาของเราเราก็มีความสุขเกิดขึ้นมา เราก็จะไม่อยากจะไปทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเพราะเวลาเราทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่นีคือวิธีการที่เราจะ เ, าเข้าหาูุิกุศลเราต้องไ ต, ต่เต้าขึ้นไปเหมือนขั้นบันไดอยากไปอยากได้แบ่งเวลาพันถ้าเรายังหาแบงงเวลายี่สิบไม่ได้ ถ้าหาเงินยี่สิบบาทห0าสิบบาทไม่ได้อยากไปหาเงินเป็นพันนี่หาไม่มีวันที่จะหาได้ต้องเพิ่มวิธีความสามารถของเราขึ้นไปเป็นขั้นๆ ต, ต้องต้นการทำบนระดับ20บาท50าบบาทคือทำทานไปออกมาก็ขยับยมารักษาศีลเป็นขั้นร้อยบาทขึ้นไปศีลห้าแล้วก็ศีลแเพิ่มขึ้นไปถ้าศีลแปก็จะได้ หลายร้อยบาทสินห้าก็ได้แค่ร้อยเดียวสินแก็เพิ่มอีกสา0ร้อยเพิ่มสาข้อจากร้อยก็เป็นสี่ร้อถ้าถือสินแปดได้ถ้าเราถือสินแปดได้เราก็จะมีกำลังที่จะมานั่งสมาธิกันมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิกันเพราะสินแปนี้จะทำให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้ ยิ่งเป็นร่ำหลับนอนกับแฟนไม่ได้แทนจะใช้เวลาไปนอนกับแฟนก็เอาเวลามานั่งสมาธิกันเอาแทนเราไปกินเลี้ตอนข้ามก็ไปไม่ได้กินอาหารขํามก็ไปไม่ได้เอาเวลาที่จะไปกินอาหารข้ามมานั่งสมาธิกันจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้เราจะได้เอาเวลาที่เราจะไปใช้ดูหนังฟังเพลงมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบกัน ถ้าเรารักษาสินแปดได้เราก็จะสามารถหาบุญระดับใบละห้ารอยได้ถ้าเรายังรักษาศิน8ดไม่ได้นี่เราจะไม่สามารถหาบุญใบละห้าร้อยได้เราก็หาได้แต่แค่ใบละร้อยไปก่อนรักษาสินห้าไปก่อนพอเรารักษาศิน8ดได้เราก็จะหาใบ บละร้อยได้เพิ่มเพิ่มอีกสามใบเพิ่มอีกสามข้อสิบห้าได้ร้อยเดียวสิลแปดมันได้สี่ร้อยพอเราได้สี่ร้อยแล้วหาแค่อีกร้อยหนึ่งหาใบละร้อยมันก็ไม่ยากแล้วก็จะมีเวลามาฝึกนั่งสมาธิกันเอย่างวันพระวันไหนวันที่เราไม่ต้องทํางานเรามาถือสิบแปดกันดูสักวันไม่ต้องไปเที่ยวไหน ไปอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่มันสงบไม่มีใครมารบกวนใจไม่มีใครมามาล่อใจให้ไปทำกิจกรรมต่างอยู่คนเดียวปิดทีวีปิดอะไรต่างๆอย่าไปหาความสบจุจากกิจกรรมต่งางๆเอาเวลามาทำใจให้สงบ ด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆเเดินก็พุทธโธไปนั่งก็พุทธโธไปเดี๋ยวใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะได้แบงมาราห้าร้อยอันนี้จะทําให้ใจมีความสุขมากขึ้นได้มาะาห้าน้อยแล้วพอเรานั่งสมาธิได้ใจเราจะมีกําลังที่จะศึกษาความจริง ของสิ่งต่างๆที่เราไปไปหลงไปยึดไปติดแล้วก็ไปทุกขกับมันทุกวันนี้เราไปทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะเราไปคิดว่ามันเป็นของดีเป็นของที่จะให้ความสุขกับเราแต่แทนที่มันจะให้ความสุขกับเรามันกลับให้ความทุกข์กับเราเช่นราบยศดสรรเสริญเช่นรูปเสียงเกลียนรดต่างๆเราคิดว่ามันเป็นความสุขกัน แต่พอได้มาแล้วมันได้มาได้ไม่นานมันก็หมดไปพอมันหมดไปความสุขก็หายไปเวลาได้เงินมาก็ดีใจกันพอใช้เงินไปหวดปั๊บก็ทุกไม่มีเงินใช้แล้วไม่ว่าได้ตำแหน่งมาก็ดีใจพอถูกปลดก็เสียใจได้รับการสรรเสริยกย่องเงินยอก็ดีใจ พอโดนข้าด่าก็เสียใจได้ไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงก็มีใจมีความสุขพอกลับมาบ้านมันก็หมดไปความเหงาความว้าเหว้ก็กลับมาต่อนี่คือความสุขที่พวกเราไปหากันเราคิดว่ามันเป็นความสุขแต่มันจะกลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชัว่วคราว มันจะไม่สุกไปตลอดนะใไปเที่ยวหนึงเดียวแล้วจะสุกไปจนวันตายไม่ใช่นะเที่ยววันเที่ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หมด้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะเที่ยวใหม่ไปดูหนังฟังเพลงวันนี้ก็สนุกพอพรุ่งนี้ก็หมดไปแล้วต้องอยากไปเที่ยวใหม่อยากไปดูหนังฟังเพลงใหม่เนี่ยเราไม่รู้ถ้าใจเราไม่มีความสงบนี้ใจเราจะไม่คิดเลย ใจเราจะคิดว่าดีได้นอนมาดีได้ตำแหน่งดีได้ไปเที่ยวดีได้ไปดูไปฟังไปนังร ด, ดมกิ่งอะไรต่างๆที่เราชอบนี่ดีทั้งนั้นแต่ไม่มองตอนที่มันไม่มีเวลาที่มันหมดเวลานั้นเป็นยัางานอยากกระโดดตกตายคนที่กระโดดตึกตายเพราะอะไรเพราะก็สูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขของเขานั่นเอง ใครมีเงินมีทองพอสิ้นเนื้อปะดาตัวแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปเพราะไม่รู้จะอยู่อย่างไงที่จะทําให้มีความสุขได้เพราะเงินทองที่จะให้ความสุขกับเขานั้นมันหมดไปแล้วแล้วเขาไม่สามารถหามาใหม่ได้เขาอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์เขาก็เลยฆ่าตัวตายดีกว่านี่ยคือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเราไปกลับไปเห็นว่ามันเป็นความสุข แต่ถ้าเรามีสมาธิมีใจที่สงบแล้วมีใจที่มีความสุขแล้วเราจะมองเห็นเราจะมองเห็นว่าของพวกนี้มันเป็นความความสุขจอมปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเพราะว่าในที่สุดมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นในภายหลังไม่ช้าก็เลยว่างถ้าเงินไม่หมดเราเวลาต้องตายจากมันไปเราก็ทุกข์เสียดายอุสาหเงินมาถ้าเป็นลาบตาย น้องกลายเป็นของคนอื่นไปละแต่ น, นี่ก็ทุกข์ละมองไม่เห็นกันเพราะใจมันหิวมันโหยมันไม่มีความสุขในใจมันเลยเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขกันเพราะมันเห็นความสุขที่จะได้รับในเบื้องต้นพอได้เงินมานี่โอ้ ด, ดีใจได้เงินมาได้ใช้เงินกันสนุกสนานไม่คิดถึงเวาลามันหมดเนี่ยพอมันหมดแล้วมันไม่สนุกละ มันทุกข์ละนี่เราถ้าคนไม่มีสมาธิไม่มีความสงบไม่มีความสุขใจอิ่มใจจะไม่คิดกันจะคิดแต่ความสุขที่จะได้จากว่าจะยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสทรรนั้นเองแต่ถ้าคนมีความสงบแล้วใจจะอิ่มแล้วมันจะมองมันจะมองไปอีกมุมหนึ่งเลยมันจะมองเห็นเลยว่า มันเป็นความสุขเนียวเดียวได้มาแล้วเหนียวก็หมดไปแล้วถ้าไม่มีเงินเที่ยวมันก็ทุกข์ไม่มีเงินซื้อของที่เราอยากจะซื้อก็ทุกข์คนที่เสพยาเสพติดเนี่ยเวลามียาเสพก็สุกกันพอเงินหมดไม่มีเงินซื้อยาเสพขึ้นมาก็ทุกข์ถ้าคนที่มีสมาธิจะคิดได้ใจจะไม่ถูกความหิวความอยากมา ครอบเงินแต่จะคิดไปตามความเป็นจริงคิดไปตามเหตุตามผลก็จะเห็นความจริงว่าความสุขต่างๆที่เราหากันนี้เป็นความสุขปอนเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดและเวลามันหมดมันก็จะทําให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่ไปหาเงินเราก็จะไม่ทุกข์กันถ้าเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องทุกข์เวลาไม่มีเงินก็ไม่ได้อน คนที่มาบวชเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเขามีเงินแล้วไม่มีเงินเขาอยู่ได้เพราะเขไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขกันคนที่มาบวชเนี่ยเขาหาความสุขจากการทําใจให้สงบ ก, กันเขาหาความสุขจากบุญกุศลที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสุขที่จะไม่มีวันหมดหาได้แล้วจะหายได้อยู่เรื่อยๆนั่งสมาธิเป็นแล้วจะนั่งไปได้เรื่อยๆ ายก็ยังนั่งต่อได้เพราะสมาธินี้ทำทำด้วยสติไม่ได้ทำด้วยร่างกายไม่มีร่างกายก็ยังทำให้ใจสงบทำให้ใจมีความสุขได้ถ้ามีสติผู้ปฏิบัติจึงต้องมาสร้างสติรันหมื่นพุทโธพุทโธพุทโธกันังไม่ทีสร้างสติก็พุทโธพุทโธเหมือนกันเวลาที่เราจะจะ จะเต่มน้ำเข้าไปในตุ่เนี่ยเราก็ต้องเอาไปตักน้ำมาใส่นการตักน้ำใส่ตรงก็เหมือนกับพุโทโธเนี่ยถ้าเราพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆสติก็จะมีกําลังมากขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อมีสติมีกําลังก็จะหยุดหยุดความคิดได้หยุดใจได้หยุดความอยากได้พอความคิดหยุดความอยากหยุดใจก็สงบใจก็เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ เราต้องพยายามขยันกันถ้าเราอยากจะได้บุญกุศลที่ที่ให้ความสุขกเราอยาา่างมากบ้างมากรองก็คือความสงบเราต้องพยายามสร้างสติกันขึ้นมาให้ได้การบริการมพุโทโธนี้ก็เป็นวิธีในส0่วิธีด้วยกันที่จะทำให้ใจมีสติที่จะหยุดความคิดที่จะทาใจให้สงบกรรมฐ า, าน40สนี่คือ วิธีสี่สิบวิธีที่จะทําให้าจสงกถ้าเราไม่ใช้ฟุตโตเราจะใช้ทำโมก็ได้ใช้สวดมนต์ก็ได้ใช้สังโฆก็ได้ใช้วานานุสติก็ได้เราจะถึงความตายอยู่เรื่อยท่องคำ ว, ว่าตายตายตายตา ย, ตายอยู่เรื่อยๆก็ไดพพ้พอพ้นว่าตายนล้วพอท่องควาว่าตายกเลสมันโกเลยความโลภความอยากต่างๆนีม่มันหายไปเลย ไม่เชื่อลองไปหาหมอดูแต่สักวันหนึ่งหมอบอกว่าเป็นมะเร็งจะตายไม่ได้สามเดือนนี้อยากเที่ยวอยากกินอยากเดิงนี้หายไปหมดแล้วอยากอยาให้ใจสงบอยากให้ตายอย่างสบายก็สิความอยากจะไปนู่นได้นี้หายไปหมดเลยเราหัดคิดถึงความตายอยู่แล้วความอยากต่างนี้มันจะหายไปพอความอยากหายใจก็สงบล้วก็จะมีความสุขขึ้นมา นี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลในระดับที่สูงแล้วถ้าเราได้ใช้ปัญญานี้ก็ได้รับสูงสุดใช้สติทําใจให้สง บ, บนี้ก็เป็นความสุขแต่ความสุขที่ไม่ถาวรแต่พอเรามาใช้ปัญญามาพิจารณาความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เทียมมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรา อย่ากปอยากได้เงินทองข้าวของนี้มันไม่เที่ยงมันมันมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันจมันจะต้องจากเราไปเราจะต้องจากมันไปราบยศสารเสรงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันได้มีกันอยู่ทุกวันนี้เป็นความสุขชั่วคราวอย่าไปมีอยา่อยาไปอยากมันอยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านมีปัญญา ท่านเห็นว่าถ้าเราไปมีอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องทุกกับสิ่งที่เรามีไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งที่เรามีมันจะเปลี่ยนไปจากดีก็กลายเป็นไม่ดีซื้อของดีมาซื้อเขามาใม่อยๆก็ดีใช้ไปพอเสียก็ปวดหัวแล้วต้องเอาไปซ่อมต้องเอาไปเคลมกว่าจะได้กลับมาก็เป็นเวลาหลายวันเนื่กันช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรก็อยู่อยู่แบบอึดอัดใจ ถ้าเราหัดอยู่แบบไม่มีเสียแต่แตะละก็เราก็จะสบายไม่มีเราก็อยู่ได้ทีละความหลงมันหลอกให้เราไปคิดว่ามีแล้วจะดีมีแล้วมันมันดีแต่มันดีเดียวเดียวน่าเดียวมันก็กลายเป็นไม่ดีไปนี่คือการใช้ปัญญาปล่อยมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงธรรมคือความจริงอะไรคือความจริงก็ อ, อันนี้จำทุกขงังบนหน้าตา ของทุกอย่างในโลกนี้มันอนิจจันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันจะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดได้อย่างไรมันมันได้ได้ครับในขณะที่มันเที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเวลาเวลามันดีมันก็ให้ความสุขกับเราพอมันเปลี่ยนเป็นไม่ดีมันเสียไปมันก็เลยให้ความทุกข์กับเราเรามองไม่เห็นเวลามันเสียกัน เวลาได้อะไรมาเราคิดว่าโอ้เป็นของใหม่จะต้องใหม่เหมือนเหมือนกับเวลาวันที่เราซื้อมาจากบ้านแต่พอใช้ไปใช้ไปสักพักหนึง่งเดี๋ยวมันเริ่อนวนละเริ่มเสียละนี่นี่คือเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงมองไม่เห็นความทุกที่ตามมาจากการที่มันไม่เที่ยงมองไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างชท้จริง ไม่ช้ากรสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปนี่คือปัญญาที่เราจะต้องศึกษามองให้เห็นได้ถ้าเราเมีปัญญานี้เราจะได้บุญกุศลระดับใบระพันเลมันจะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรมันจะทำให้เราอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เพราะเมื่อเราไม่มีอะไรแล้วเราจะไปทุกข์กับอะไรที่ทุกข์ก็เพราะว่ามันมี ถ้ามีคนที่คนโสดนี่จะทุกข์กับการหรือเปล่าไม่ไปทุกข์ใช่ไหมถ้าอยู่คนเดียวเนะีย่ยพระนี่อยู่คนเดียวไม่มีแฟนมีแฟนให้ทุกข์หรือเปล่าแต่โยมนี่มีแฟนแล้วเป็นไงทุกข์กับแฟนหรือเป่าเือสขอย่างเดียวแฟนให้ความสุขอย่างเดียวนะให้ให้ความทุกข์มาด้วยเรามองไม่เห็นความทุกข์เห็นแต่สุข พอมันทุกก็อะไรล้อมให้กันเสียใจกันล้อมหมุ้องิดกันขึ้นมาคนที่เห็นว่าเป็นทุกก็ไม่เอาดีกว่าคนที่เห็นว่างูนี่กัดล่อตายจะไปเล่นกับงูทำไมใช่ไหกล้าไปเล่นกับงูไหมไม่กล้าเล่นใช่ไหมเพราะรู้ว่ากัดล่อตายใช่ไหมแต่กล้าเล่นกับแฟนมังมันพายก็ตะท่าเราตายได้เหมืกันอยู่ด้วยกันทะเลาะกันเดี๋ยวก็ท่ากันได้ มองไม่เห็นว่ามองไม่เห็นว่าแฟนเป็นงูพิษกับเห็นว่าเป็นปลาไหลเอามาต้มแกงกินได้ทุกอย่างมันเป็นงูพิษหมดแต่เรามองไม่เห็นเราไปมองเรามองไปเห็นว่ามันเป็นปลาไหลเป็นอาหารโอชะเห็นเงินก็โอ้โหน้ำลายไหลเห็นตำแหน่งต่างๆเห็นยศต่างๆก็น้ำลายไหลเห็นสารลเสริญก็น้ำลายไหลกัน ไม่คิดว่าคํำสรรเสริญนี่มันอาจจะกลายเป็นคํานินทาก็ได้ลองคิดดูเลยคนที่เคยสรรเสริญเราวันดีคืนดีดาเราเราจะารู้สึกยังไงเช่นแฟนเราเนี่ยคอยคอยแต่อยอเราสวยอย่างงั้นสวยอย่างนี้พอวันดีคืนดีด่าวเป็นควายขึ้นมาเนี่ยมันมรู้สึกยังไงแล้วเราไปห่างเขาได้หรือเปล่า เขารับประกันได้ว่าไม่ต่างว่าเขาจะพูดแต่คําดีๆกับเราตลอดเวลาเขาไม่มีการรับประกันกันหรอกเวลาเขาอยากได้เร า, เ, ราเขาก็พูดดีพอเขาเบื่อเราเขาก็พูดไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้เราใช้ปัญญาพยายามมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ดีดีชั่วคราวดีเดี๋ยวเดีแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่นไปเดี๋ยวมันก็หมดไป ถ้าเห็นว่ามันไม่ดีมันก็จะได้อยู่แบบพระได้เนี่ยพระนี้ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าไม่ดีคกนที่มาบวชนี่เป็นคนที่เ็เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวของไม่แน่นอนอาศัยมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างอย่างแน่นอนไม่ได้วันดีึ้นดีมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอมันอาจจะหมดไปมันอาจจะเปลี่ยนไป ยังมาหาความสุขที่แน่นอนดีกว่าความสุขที่แน่นอนก็คือความสงบในทำใจให้สงบหยุดคิดหยุดอยากแล้วใจจะมีแต่ความสุขจะไม่หิวไม่โหยกับอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่เดือดไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะถ้ามีความสุขทางใจแล้วร่างกายนี้ไม่มีความหมายไม่ต้องใช้ร่างกายพาไปเที่ยว พาไปแต่งเนื้อแต่งตัวพาไปดูหนังฟังเพลงพาไปกินพาไปดื่มถ้าเรายังต้องอาศัยร่างกายเราก็ยังจะทุกกับร่างกายเพราะต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะต้องทุกข์ก่อนเพราะมันจะทําให้เราไม่สามารถพาเราไปเที่ยวไหนได้แล้วพาเราไปกินไปดื่มได้แล้วแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ เราจะไม่เดือดร้อนต่อไปร่างกายเราจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่ต้องใช้มันไม่ต้องพึ่งพาอายมันเรามีสติมีปัญญาสองตัวนี้พอสติทำใจให้สงบนิ่งปัญญาสอนใจให้ฉลาดไม่ให้ไปหลงไปอยากได้สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ให้อยู่แบบไม่มีอยู่กับความว่างความว่างนี่แหละคือความสุขที่แท้จริง ความว่างไม่มีโทษความไม่ว่างนี่เป็นโทษพอมีลาบก็เป็นโทษกับใจเรามียศก็เป็นใจกับเป็นโทษกับใจเรามีสรรเสริญก็เป็นโทษกับใจเรามีรูปเสียงกลิ่นรดก็เป็นโทษเพราะมันไม่เที่ยงมันมีแล้วเดี๋ยวมันไม่มีได้เวลามีมันให้ความสุขแต่พอเวลามันไม่มีมันจะให้ความทุกข์กับเรานี่คือสิ่งที่เราต้องมา ศึกษามาสอนแล้วก็มาสอนใจไม่ให้ไปหลงหาความทุกข์กันทุกวันนี้เราหาความทุกข์กันโดยที่ไปคิดว่ามันเป็นความสุขความหลง่มันหลอกให้เราคิดว่าเป็นความสุข mm hmm. เห็นกงจับเป็นดอกบัว mm hmm. เห็นงูเห่าเป็นเป็นปาลาไหลพอเห็นงูเห่าก็คิดว่าเป็นปาลาไหลก็ไล่จับมันเลยจะได้มาต้มมามาแกงกินกันพอไปจับมันก็โดนมันกัดตาย นี่ลคือความหลงเห็นว่าสิ่งที่ไปทุกว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยวเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราพอมันกลายเป็นของคนอื่นไปก็เสียใจนะมั้ยพอแฟนกลายเป็นของคนอื่นไปก็เสียใจตองก็คิดว่าเป็นของเราเอ้มันดีคืนดีกลายเป็นของคนอื่นไปใช่ไหมก็อาจจะเป็นของสัะเปลยก็ได้ ตายไปตายไปก็เป็นของสะเปลิบไปถ้าไม่ตายก็ไปเป็นของคนอื่นแล้วเบื่อเราเขาก็ไปหาคนอื่นเป็นแฟนใหม่เราก็อยู่เราก็ต้องอยู่ตามนวลพังงั้นหัดอยู่ตามนวลพังเสียแต่แบบ น, นี้ดีกว่าเอาเวลาที่เราว่างๆไม่ต้องทอํางานนี้มาทําใจให้มีความสุขพอใจเรามีความสุขแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเรา ตอนนี้เราไม่มีความสุขในใจเราเลยต้องไปหาความสุขข้างนอกกันมาหาความสุขในใจดีกว่าเพราะมันเป็นของแท้ของจริงมันเป็นของที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นนิจจังสุขขังเป็นอัตตาเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขข้างในเป็นความสุขจริงๆไม่ใช่เป็นความทุกข์เป็นอัตตาเป็นของเราจริงๆความสุขที่ได้จากบุญกุศลเนี่ย เป็นอัตตาเป็นของที่แท้จริงเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เวลาร่างกายตายไปนี้ทรัพสมบัติภายนอกเราไปไม่ได้เลยสมบัติทางร่างกายเอาไปไม่ได้เลยมีเงินกี่ร้อยล้านพันล้านก็ต้องทิ้งให้คนอื่นไปหมดมีภรรยามีสามีกี่คนก็ต้องทิ้งให้คนอื่นไปหมดมีบ้านกี่หลังก็ต้องทิ้งให้คนอื่นไปหมด เอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่บุญกุศลเนี่ยเราเอาไปได้หมดบุญที่บุญกุศลที่เกิดจากการทานทานบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลห้าบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลแปบุญกุศลที่เกิดจากการนั่งสมาธิเดินจยกลมทําใจให้สงบบุญกุศลที่เกิดจากการมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นงูเหา่าไม่ใช่เป็นปาลาไหลถ้าเราเห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นงูเหา่าเราก็จะได้ไม่ไปไปตามจับมันแตตอนนี้เราไปเห็นว่ามันเป็นปาลาไหลเป็นอาหารนันองชา ก, กัน<ม><ม>ก็เลยไปตามจับกันพอจับมาแล้วก็ถูกมันกัดพอมันกัดได้วนนี้มันมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้น อันนี้คือบุญกุศลที่พวกเราควรจะทำกันเพราะมันจะทำให้ใจเรามีความสงบมีความสุขแลวเราจะไม่หิวกับอะไรอีกต่อไปเราไม่ทุกกับร่างกายต่อไปไม่ต้องใช้ร่างกายอีกต่อไ ป, ไอลออไปและเวลาร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปถ้าเรายังต้องใช้ร่างกาย น, นี้อยู่ <c oughs> เพื่อหาความสุขภายนอกอยู่ ร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องกลับมามีร่างกายนั้นใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาหาเงินหาทองใหม่หาลาบหายยศใหม่แล้กก็มาทุกข์กับมันใหม่เวลาจะต้องเสียมันไปเวลาที่จะต้องจากมันไปถ้าแต่ถ้าเรามาหาความสงบได้หาความสุขในใจได้เราจะไม่ต้องหาลาบยศจะรัศมีไม่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรถอีกต่อไป เราจะอยู่กับความสงบไปตลอดเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเพราะท่านใจของท่านเต็มไปด้วยความสุขที่เกิดจากบุญกุศลที่ท่านได้ได้หามาในขณะที่มีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าก็ทําทานทางของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็สละราชสมบัติมีประสาทสามฤดูก็สละเลยคยคิดว่าตายไปแล้วทัพสมบัติของร่างกายนี้ยกให้คนอื่นไปหมดสามี ภรรยาลูกก็ไม่เอาไปเสียสละหมดทุกอย่างทแหน่งอะไรต่างๆก็ไม่เอาไปไปอยู่แบบขอทานแต่มีเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลทําทานแล้วก็มารักษาศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลแปแล้วก็มานั่งสมาธิทําใจให้สบงบตอใจสงบแล้วใจก็จะเป็นใจที่จะมองเห็นความจริง เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เด็ดล้องร่างกายตายไปแล้วก็จะไม่กลับมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะไม่จาเป็นจะต้องใช้ร่างกายหาความสุขเพราะมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องมือหาความสุขแทนใจังมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เพราะใจไม่มีวันตายใจของพระเจ้ากับใจของพ ว, เ, งพวเราเหมือนกันไม่มีวันตายเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าใจของพระเจ้ามีแต่บร ม, มสุขนิพพานาังบรมังสุขทังแต่ใจของพวกเรามันมีแต่บร ม, มทุกข์กันเพราเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันมันพัดแพ้จากของที่เราละ ก, กัน เตรีตัวร้องไห้ได้แหะรับรองได้จะต้องเจอต้องวันจะต้องร้องให้แน่นอนถ้ายังยึดยังติดยังหาสิ่ ง, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่อยากจะร้องไห้ก็อย่าไปหาสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้อย่าไปหาราบยศสารเสื่ออย่าไปหารูปเสียงกลิล่นแลยนะรับรองได้ว่าจะไม่ต้องหลังนั้นตต่อไปถ้ายังต้องหาราบยศสารเสรื่อยังหารูปเสียงกลิ่นก็อยู่ มันจะต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องหลังต้องตายเพราะมันจะหาไม่ได้หรือจะต้องเสียสิ่งที่เราหามาได้ไปขอให้เราอย่าเสียเวลากับการหาทรัพย์ภายนอกให้มากจนเกินไปหาพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอหาแบบพระเนี่ยอยู่แบบพระเนี่ยมักน้อยสันโดกินวันละมึกก็พอเสื้อผ้าสักสองสามชุดก็พอ ที่ อ, อาศัยพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่ต้องเป็นคนดูรู้แลไม่ต้องเป็นกระาหารัน้อยลา้า น, น, นมันก็บปนที่หลบแดดหลบฝนเหมือนกันเยารักษาโรคสามสิบบาทก็รักษาได้ทุกโรคอยู่แล้วไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนรักษาโร ง, งพยาบาลเอกอชนตายเหมือนกันถ้ามันจะตายรักษาที่ไหนก็ตายถ้ามันจะหายรักษาที่ไหนมันก็หายเหมือนกันะ แค่เจ้านี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมามาวุ่นวายมาทุกข์กับสิ่งต่างๆกันเอาเวลามารักษาศีลกันเอาเวลามานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันแล้วเอาเวลามาศึกษาสอนใจให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เท่เพราะว่ามันเป็นของชั่วคลาวมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเยท่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ของในโลกนี้ไม่มีอะไรสักชิ้นที่เป็นของเราของที่เราเรียกว่าเป็นของเรานี้เป็นของชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปนี้ของทุกอย่างที่เรามีอยู่นีนกายเป็นของคนอื่นกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นอยากไปหลงมาหาของดีของจริงคือหาบุญหากุศลกันดีกว่าหาความสงบสุขที่เกิดจากการทาทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญากัน แล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่จะไม่มีวันหมดความทุกข์ต่างๆนี้จะกลายเป็นอดีตเปหมดเราจะไม่รู้จักคำว่าทุกข์กันอีกต่อไปเพราะจะมีแต่คำว่าสุขอยู่ในใจเราตลอดเวลานั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปะะราโสยะามณิโถติระโสยะาสัพพิติโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทิฆาลิกภะวะอภิวาเทนะสิริสะนิจังวุธาปจายิโน จตารธรรมวาทิอายุวโนสุขังภาลังหนังสือดีนะหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่งพระอาจารย์มั่นนี่เป็นพระที่หายากนะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง อธิท่านกลายเป็นพระธาตุไปแนละ้วศึกษาแล้วจะทำให้มีศรัทธามีกำลังใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอัน <c oughs> ที่ธรรมก็ไม่ไม่มีอะไรกว้างขวางมากมายให้ทำแค่สามข้อนี่เลยคำทานรักษาศีลภาวนาแต่จำกันไม่ค่อยได้ลืมกันเรื่อยอันนี้เฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่ ทางเชฟลุกเข้ามา311ค่ะสาม้อยสไม่หายไปไหนร้อยกว่าเพราะว่าแัญญาณไม่ดีค่ะแัญญาณไม่ดีทาง YouTube เข้ามา116ค่ะยูทูบดีธรรมะเนี่ยถึงแม้จะมีมากมายเต็มตู้พระตันบีดกแต่ความจริงแล้วให้เรารู้แค่3ข้อหัวข้อใหญ่ๆก็พอรู้จักวิธีทำบุญทำทานทำยังไง ให้รู้จักวิธีรักษาศีลศีลมีอะไรบ้างให้รู้จักวิธีภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบรู้จักวิธีเจริญปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรมแค่นี้แหละที่เราจาเป็นจะต้องรู้จริงๆอย่างอื่นรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ฌานแปดฌานสิบภิญญาร้อยแปดอะไรรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ ไม่ไม่สำคัญมันเป็นความรู้ที่เป็นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองเหมือนบ้านเนี่ยพอมีหลังคามีเสาพอลมแดหลบฝนได้ก็พอแล้วจะมีฝาไม่มีหน้าต่างหรือไม่มั น, ม, นมันก็ไม่สำคัญอ่ามันอยู่ได้แล้วเนี่ยธรรมะก็อย่าไปหลงบางคนก็ต้องไปเรียนอภิธรรมก่อนอต้องรู้มักงแปดอะไรน้อยแปดพันประการอ่า รู้แล้วก็มันหนักขัวเปล่าๆเขาเรียกความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดรู้ไปแล้วก็นั่งสมาธิไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทำทานไม่ได้รู้ไปทำไมมนรู้วิธีทำทานดีกว่าทำไงเรียกว่าทาทานใส่บาตรเนี่ยทาทานวัตถุทานถวายผ้าสิ่งที่ควรจะถวายผ้าเรียกว่าสมณะสิ่งที่สมควรกับสัมมณะบริโภค ก็คือปัจจัยสี่ของพระอาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคอันนี้ถ้าไหนท่านมีแล้วก็ไม่ต้องให้เช่นกุฏิมีแล้วก็อย่าไปสร้างให้มันล้นก็เอาไปทำอย่างอื่นแทนก็ได้เอาไปทาที่อื่นก็ได้ทําที่โรงเรียนโรงพยาบาล ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยถ่าวัวถโคอะไรอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันถ้าพระมีพอเพียงแล้วก็ไม่ต้องทําถ้ามาให้พระพระก็ไปแจกที่อื่นต่อเทียนจีวรเนี่ยเอามาเป็นเป็นไม่รู้กี่สิทธิ์สำรับเนี่ยก็ใช้ได้สํำรับเดียวที่เหลือก็เอาไปแจกต่อเอาไปต่างจังหวัดไปที่กันดาร ในที่พระที่ไม่มีก็ช่วยกันไปแบ่งกันไปอ <c oughs> ขอให้เราเรียนเพื่อมาปฏิบัติกันดีกว่าอย่ามาเรียนเพื่อให้รู้ <c oughs> ความรู้ที่เราเรียนนี่ยังไม่ใช่เป็นความรู้จริงเป็นความจดความจำยังไม่มีกําลังที่จะมาฆ่ากิเลสฆ่าตัวที่หลอกให้เราไปแบกไปหาความทุกข์กัน <c oughs> เราจะต้องมาสร้างปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติสร้างกำลังที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วเราจะได้มีกำลังที่จะไปทาลายความหลงที่มาหลอกให้เราไปหาความทุกข์กันทุกวันนี้เราหาความทุกข์กันแต่เราคิดว่าหาความสุขกัน เ, เดี๋ยวก็ล้องหบล้องไห้กันคำถามจากคุณต้นน้ำค่ะ เมื่อเช้าผมให้ทุนการศึกษากับเด็กคนหนึ่งซึ่งกำลังเจอเลิกซึ่งกาลังจะเลิกเรียนเพราะไม่อยากเป็นภาระของแม่ผมจึงเสนอว่าให้ทุนการศึกษาเทอมละห0 0พันบาทแล้วเกิดอาการขนลุกน้ำตาไหลแบบนี้เรียกว่าปิติไหมครับนั่นแหละปิติสุขที่เราได้ทำางานที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นมันจะทำให้ใจเราเกิดความสุขขึ้นมาซาบซึ้งขึ้นมาในใจของเรา นี่นะคือบุญแท้บุญแท้เกิดจากการที่เราทําอะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์จริงๆบางทีเราทําบุญนี่เราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าทําอะไรเขาให้ซองมาก็สายส่เข้าไปใส่แล้วก็ไปก็จะรู้สึกบ้างว่าเออได้เสียเงินไปจะรู้สึกตรงนั้นน่ะแต่ยังไม่รู้สึกว่าเงินที่เข้าไปนี่เอาไปทําอะไรถ้ารู้ว่ า, าไปทําอะไรได้ประโยชน์อย่างไรมันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้น เวลาเราทำบุญเราต้องต้องดูประโยชน์ของผู้รับเป็นหลักว่าผู้รับเขารับเขาเขาได้ประโยชน์หรือเปล่าบางทีเราทำบุญแล้วผู้รับเขาไม่ได้ประโยชน์มันก็เลยไม่ค่อยม่ก็รู้สึกเท่าไหร่เช่นถวายจีวรเนี่ยพระท่านมีเป็นสิบสำรับเนี่ยถวายท่านก็รับรับไปเราก็ไม่รู้ว่าท่านเอาไปใส่หรือไม่ใส่เราก็เลยไม่รู้สึกมีความรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือท่าน แต่ถ้าเห็นว่าจีวรท่านขาดท่านมีอยู่ผืนเดียวเนี่ยแล้วเราซื้อไปถวายให้ท่านใส่ผืนใหม่เราจะเกิดความรู้สึกที่มีความสุขมากกว่าญาโยมก็ใช้แบบบังคับก็มีถวายปับบังคับให้ผ้าใส่เลย <c oughs> ตั้งที่จีวรที่ยังมีอยู่นี่ก็ยังใหม่อยู่แต่ต้นให้ใส่เขาจะได้ประทับใจเขาจะได้มีความสุขใจแต่นี่มันเป็นความสุขแบบบังคับมันไม่ถูกมันต้องไปให้แบบที่ใครเขาขาดแคลนดีกว่า ถ้าเขาไม่เขาเขาไม่ขาดแคลนจีวรก็ดูอย่างเอ่ยเขาขาดแคลนอะไรก็ซื้อให้เข้าไปถ้าเขาไม่มีอะไรขาดแคลนเลยก็ไปหาที่ที่เขาขาดแคลนไม่จําเป็นจะต้องทํำกับพระรูปนี้อย่างเดียวทํากับพระรูปอื่นก็ได้ถ้าเราอยากจะได้ความรู้สึกที่ดีในใจของเรา แต่บางทีเราก็อยากจะทำกับาพาะที่ดีเพราะาพาะที่เราไม่ดีเราก็ไม่อยากจะทำอันนี้ก็ถูกเหมือนกันเพราะาพาะที่ไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ไปทำตัวไม่ดีมันก็ทำให้เกิดความเสียหายแทนที่จะเกิดประโยชน์ก็เกิดโทษได้ดั mm hmm. งนั้นการทำบุญก็ต้องดูผู้รับว่าเขาขาดอะไร mm hmm. เขาควรจะ้องต้องการอะไร คำถามจากคุณนโมค่ะทําบุญเกือบทุกวันทั้งบุญทั้งทานสวดมนต์ไหว้พระปล่อยปามีโอกาสก็ไปบวชเนคัมมะแต่ทุกวันนี้ความทุกข์ยังคงเหมือนเดิมบุญช่วยชาตินี้หรือชาติหน้าคะก็ทําน้อยไปเงเหมือนกินยากินยาน้อยโรคมันก็ยังไม่หายต้องกินให้มันมากกินเม็ดสองเม็ดไม่หายหรอกต้องกินตามที่หมอสั่งวันละสามสี่เวลา หลังอาหารก่อนนอนีมันโรคมันถึงจะหายทำอยู่แต่ทำน้อยจังทาไม่มากถ้าอยากจะทำให้มากๆ ม, มีเงินเท่าไหร่ก็ทำให้หมดไปเลยแล้วก็ไปบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิไปรักษาศีลนีรับรองได้ทุกหายหมดเลยถ้าไม่ทำแบบนี้ยังไม่หายหมดหรอกเพียงแต่มันทาให้มันน้อยลงเท่านั้นเองแต่จใจมันหายมันไม่หายหรอก ถ้าอยากจะให้มันหายก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าเนี่แหละสระล่าจะสมบัติไปอยู่แบบขอทานไปรักษาศีลไปอยู่ในป่าในเขานั่งสมาธิจนอนปัญญาจนเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ตัดความอยากได้หมดจิตก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะความทุกข์ของเรานี่เกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ทุกข์ละ แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่ทุกข์กับอะไรดงนั้นถ้าอยากจะให้มันไม่มีความทุกข์ก็ต้องไปบวชมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็สละไปให้หมดไปอยู่เป็นแม่ชีไปอยู่เป็นพระกันคำถามจากคุณพีโกนค่ะถ้าต้องทําประกันให้ชาติต่อไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีหน้าตาสวยหล่อต้องมีศีลอะไรบ้างคะก็ต้องมีห้าข้อนั่นแหละต้องรักษาศีลทั้งห้าข้อให้ได้ ถ้ารักษาไม่ได้ตายไปก็ต้องไปเกิดในาบาปเป็นอย่างใดยอย่างหนึ่งถ้าทำบาปเพราะความหลงก็ไปเป็นเดราาัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุ ร, รกายเช่นฆ่ามดตบยุงนี่กลัวมดมันจะเข้ามาบริบาลกลัวยุงกัดแพร่เชื้อฆ่ามัน่าเพราะความกลัวก็ไปเป็นอสุ ร, รกาย ถ, ถ, ถ้าทำบาปเพราะความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่อาภาัพวาสนารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสอาการไม่ครบ32มสองมีโรคภัยเบียดเบียนอายุสั้นยากจนคืออนันนิสงจากการที่ไป ไปเกิดในอบายแล้วหลังจากที่พ้นจากอบายเหมือนคนที่ไปติดคุกน่ะคนที่ฝิกคุกกลับมามันจะมีอะไรออกมาจากคุกมันจะมีอะไรดีๆติดตัวมาหรือเปล่ปาไม่มีหรอกไม่เหมือนกับคนที่ไปเที่ยวเมืองนอกนะคนไปเที่ยวเมืองนอกกลับมามีกระเป๋งกระเป๋าวอรซาเซมีอะไรติดตัวมาเยอะแยะไปหมดนี่แหละคนที่ทําบุญก็เวลาตายไปก็ไปสวรรค์เนี่ยเหมือนไปเที่ยวเมืองนอกกัน แล้วพอกลับมาเกิดก็กลับมาเกิดแบบคนที่มีวาสนาเกิดมาร่ำรวยรูปร่างสวยงามหน้าตาผิวพรรณผ่องใสมีเงินมีทองมีอาการครบสามสองีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานอันนี้เป็นอนิสงส์ที่ตกมาที่ติดมากับบุญที่เราไปทำไว้หลังจากที่เราไปเที่ยวใช้บุญหมดในสวรรค์แ ล, ล้ว มันยังมาส่งผลให้เราตอนที่เรามาเกิดคนเราจึงมาเกิดไม่เหมือนกันเนยคนบางคนมาจากทางมาจากสวรรค์นี่มามาเกิดมีแบบมีวาสนามีบารมีคนที่มาออกมาจากประบายก็เป็นคนที่เอาพัพวาสนาบารมีก็เหมือนคนที่ออกมาจากคุกออกมาจากคุกจากตารางมันจะมีอะไรมาติดตัวมาแต่คนที่ไปเที่ยวเมืองนอกกลับมานี่มีของหิ้วมาเยอะแยะไปหมดเลย ะถ้าอยากจะกลับมาเกิดดีก็พยายามอย่าทำบาปพยายามทำแต่บุญพระเจ้าสอนสามอย่างสอนให้ละบาปทำบุญแล้วก็ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าทำเพียงสองอย่างยังต้องกลับมาเกิดอยู่ถ้าทำบุญทาบุญละ บ, บาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีมีวาสนาแต่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้ว ก, กลับไป ปเป็นเทวดาใหม่ถ้ากลับมาทําบุญล้างบาปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าจะไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องชําระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจหยุดความโลภความอยากต่างๆด้วยการไปบวช ด, ด้วยการไปถือสิล8ปดสินสิินสอี่สิบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เราจะได้เลิอกอยากกันเท่านั้นเอง พอเลิอกอยากแล้วมันก็จะไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปครั้ถามหมดค่ะหมดแล้วเหรอดีวนนี้สบายไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็เข้ามาไม่เป็นไรแล้วจะเย็นๆเดี๋ยวขอพักเดี๋ยวเดี๋ยวลักษณะมั น, มนมเหมือนแบบเหมืนอนคอบปูดนะฮะ เหมือนเราส่งออกไปเนี่ยสองตัวจริงออกไปจตรงนั้นเนี่ยตอนที่ออกไปเนี่ยสัญญาณมันแคบลง ม, มันก็เลยแย่งกันส่งเดี๋ยวเฟซใช้ได้เดี๋ยวย t ทู e ใช้ได้ฮะมันก็แล้วแต่ที่เครื่องมือเขาบางทีเครื่องไม้เครื่องมือที่เขารับสัญญาณจากเรามันเสียบางส่วน <c oughs> เสียบางตัวเราไม่ใช่มีตัวเดียวเนี่ยที่ส่งรับส่งกันเนี่ยมันเป็นสิบสิบเป็นร้อยตัวเลย กว่าจะไปแพร่ไปถึงทั่วโลกเนี่ยมันจะมีสถานีถ่ายทอดต้อไปตลอดเหมือ น, น, นถ้าสถานีไหนมันเสียหรือมันไม่ทำทงานไม่เต็มที่มันก็ประสิทธิภาพการส่งสัญญาณมันก็มันก็เบาไปคนบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้ก็เป็นอันนี้จังไม่เที่ยงเหมือนกันยังไงพอไม่เที่ยงมันก็ทุกข์เหมือนกันเนี่ยคนที่รับไม่ได้ก็ทุกข์เ เขาให้มองไว้แล้วเราอย่าไปอย่กไปยึดไปติดกับมันก็ไม่เป็นไรของเก่ามีฟังอยู่ทุกวันไปเปิดดูย้อนหลังก็ได้มันก็พูดเรื่องเก่าเรื่องเดียวกันนี่แหละแม้นไม่มีเรื่องอื่นให้พูดเลยมากี่วันกี่ครั้งก็พูดเรื่องนี้แหละคุณแก้วคุณแก้บอกมาบอกว่าดูเฟซได้บ้างแล้วก็เอาเฟซถ่ายยูทูบมาใหม่ ม, มันเป็นอคอหัวนอจากตัวของเราออกไปแสดง <นะ S 2> ว่าสถานีรับส่งมันต้อ ง, องมีงที่มันเสียบางส่วนมนอาจจะบางตัวเสียบางช่องเสียอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอก็อย่าไปยึดอย่าไปติด<อ>ผมเคยเห็นคำสอนของในองค์พระครับว่าอย่าเห็นแก่ตัวนี้ ความหมายจริงๆเลยความเห็นกับตัวนี่มันมีสองแบบเห็นกับตัวแบบกิเลสกับเห็นเห็นก่ตัวแบบธรรมถ้าเห็นกี่แบบกิเลสนี่ไม่ดีคือเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเวลากินก็แย่งเขากินมากกว่าเขาเวลาทํางานก็ทําน้อยกว่าเขาอันนี้เรียเรื่องเห็นแก่ตัวแบบกิเลสแต่เห็นเห็นก่ตัวแบบธรรมนี่ไม่ได้เป็นกิเลสไม่เสียหายเช่นไปบวชนี่ก็เป็นการเห็นแก่ตัวเหมือนกัน ทิ้งลูกทิ้งครอบครัวทิ้งอะไรไปทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งอะไรไป อ, แ, อไไปแต่มันเป็นการไปรักษาตัวไง เ, ไเวลาไม่สบายเวลาไม่สบายไปโรงพยาบาลนี่เห็นแก่ตัวเป่าเห็นใช่ไหมไม่เห็นจะไปทําไมใช่ไหมเวลาคุณไม่สบายคุณไปโรงพยาบาลหรือเปล่า <c oughs> ไปใช่ไหมคุณไม่ไปทําบุญให้เมือคุณไม่ไปทำํำนู่นทํานี่ให้กับคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเวลาที่คุณไม่สบายคุณก็ต้องเห็นแก่ตัวก่อน การเห็นแก่ตัวด้วยเหตุด้วยผลมันไม่เป็นมันไม่เสียหายการเห็นแก่ตัวด้วยความโลภความคิดความเอารัดเอาเปรียบเนี่ยมันเสียหายมันมีความเห็นแก่ตัวที่ดีกับความเห็นแก่ตัวที่ไม่ดีความเห็นแก่ตัวที่ไม่ดีก็คือเอารัดเอาเปรียบเขาเวลากินนี่จะกินมากกว่าเขาเวลาจะทํำนี่จะทําน้อยกว่าเขาเนี่อย่างเงี้ยไม่ดีเพราะจะทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกับเป็นการทําบาปไม่ดี เวลาเราฆ่าคนนี่เราก็เห็นแก่ตัวอ่นี้ก็ไม่ดีใช่ไหมเวลาเราลักทรัพย์เราก็เห็นแก่ตัวเราอยากได้เงินเราก็เลยไปรับทรัพย์ของคนอื่นอย่างนี้ไม่ดีแต่ถ้าเราอยากได้ทรัพย์ถ้าเราไปทํามาหากินอย่างนี้ดีมันไม่เสียหายถ้าเราไปทํามาที่ที่สุดจริญไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนไม่มีทำให้ใครเสียหายอันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นความเห็นแก่ตัวที่ที่ดีเนี่ยเราต้องรู้จักแยกแยะคําว่าเห็นแก่ตัว ว่ามันมีทั้งดีแล้วไม่ดีความเห็นแก่ตัวที่ไม่ดีอย่าไปทําเช่นอย่าไปทําบากรับกินเหล้านี่ก็ไม่ดีเห็นแก่ตัวเขาบอกเวลากินเหล้าเนี่ไม่ไม่ไม่เห็นแก่ตัวกินทำไมก็ซื้อเหล้าคนอื่นกินเตยถ้าไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมเว่ากินเหล้านไม่ยอมมองเวลากินเหล้าเนี่ยกลับเห็นว่าดีอ <laughs> เวลาขโมยเงินคนอื่นนั้นดี ไม่ดีเวลาไปยุ่งกับคนอื่นยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นก็ว่าดีแต่เขาเดือดร้อนนะปะ่ะคนอื่นเ็าเดือดร้อนการกระทำอะไรที่ที่เพื่อเป็นประโยชน์กับเราแต่เป็นโทษกับคนอื่นนี่ไม่ดีเป็นการเห็นแก่ตัวที่ไม่ดีการกระทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราและเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยดีเช่นเราไปทาบุญเนี่ยดีคนที่เราเอาเงินไปแจกนี่เขาได้รับเงินเขาก็ดีใจ เราเราก็ดีใจเราก็มีความสุขที่เราได้ทำบุญเราได้แบ่งความสุขให้กับคนอื่นอันนี้ก็เป็นความเห็นแก่ตัวเหมือนกันเพราะเราอยากได้ความสุขจากการทำบุญเราก็เลยไปทาบุญกันทำทานกันเห็นแก่ตัวแบบนี้ดีทำทานดีรักษาศีลดีไปบวชดีถึงแม้จะเป็นการเห็นแก่ตัวแต่เป็นความเก็นแกตัวที่ไม่ไปทำความเสียหายให้กับคนอื่นแรกตับจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นดูพระพุทธเจ้า หลังจากที่ท่านไปบวชท่านไปตัดสั้แล้วท่านมาสั่งสอนคนให้เป็นให้ดูดพ้นจากความทุกข์นี้มากม า, กายกายกองมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพวกเรามาจนถึงถึงปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อกว่าปีแล้วก็วเพราะความเห็นแก่ตัวของพระพุทธเจ้านี่แหละเห็นแก่ตัวที่จะต้องไปบวชที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อจะทําให้ใจท่านมีความสุขก่อนพอท่านใจขท่านมีความสุขไม่มีความทุกข์แล้วทีนี้ท่านก็ทํา ประโยชน์ให้กับคนอื่นตลอดสี่สิบห้าปีเนี่ยที่ท่านอยู่หลังจากที่ท่านตัดสัตว์นี่ท่านมีแต่ทาประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วเงินที่ได้รางวัลที่ท่านได้รับก็แค่วันละมื้อท่านันเองวันละบาทท่านันเองบินตบาทได้วันละบาทท่านนองแต่ท่านก็ไม่ต้องการอะไรท่านมีความสุขในใจของท่านเหลือเฟือเนี่ยความสุขความเห็นแก่ตัวแบบนี้ดีเพราะทำให้เกิดประโยชน์สู่แก่ผู้อื่นที่จะตามมาในภายหลัง แต่ตอนเร่วมต้นนี้เราจะต้องไปทำให้กับตัวเราก่อนเมเวลาคุณไม่สบายคุณจะไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ไหมเวลาไม่สบายคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลก่อนไปรักษาตัวให้หายก่อนพอรักษาตัวหายแล้วก็มาเสร็จจะมาทำมูลนิธิปอดเต็งจะมาทำร่วมกระตัอยูก็ทำไปจะไปช่วยเก็บศพจะไปช่วยทาอะไรก็ทาได้แต่เวลาคุณไม่สบายคุณไปทำไม่ได้นะ เวลาไม่สบายคุณก็ต้องเห็นกับตัวต้องไปรักษาตัวก่อนขอใใเข้าใจารย์ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> การบุญบานสารกก่าวสถานที่ต่างๆเนี่ยครับเอ่อขอสิ่งที่ตนเองเนี่ยสมปรารถนาเนี่ยมันมันจริงหรือเปล่าครับเราก็เคยขออะไรบ้างนะแล้วได้หรือเปล่าอ่ะก็รู้อยู่ได้วว่ า, าถามทำไม งั้ก็รวยทุกคนแล้วสิเพราะมีแต่คนขอให้รวยทั้งนั้นยิ่งวันนี้ขอกันใหญ่เนี่ยตอนนี้กําลังนั่งรุนกันอยู่เนี่ยพระเจ้านี่มาขอพรกันเยอะแยะเงยากจะให้ชี้แนะแนวทางแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้มันเราต้องรวยกับฝรั่งแล้วล่ะเพราะเราบนบานเก่งกว่าฝรั่งเนี่ยฝรั่งมันบนบานไม่เป็นแต่มันกลับรวยกับเราเพราะมันหาเงินกันมันไม่มาขออะไย่างเมี้ย พวเราชอบขอไม่ชอบหามันก็เลยไม่ได้ขอไม่ได้หรอกขอพวกนี้นี่<ม><ส>จริงหรือเปล่าครับสถานที่ต่างๆที่เขาไม่มีหรอกสถานที่มันก็เหมือนกันเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นอะไรไปทั้งนั้นมีใบไม้มีมดินมัไรประโยชน์ใช่ไหม อ, อ่มันไร้สาระมันไม่มีความเป็นจริงเป็นความเชื่อแล้วคนที่ไม่มีความรู้ก็หลงเชื่อตามโดนก็ชักแม่น้ําท่าท่ามาเปรียบเทียบไม่หน่อยก็เลยเชื่อใหญ่เลย เจอคนนั้นมาขอแล้วได้คนเดียวขอแล้วได้อีกร้อยคนนี่ขอไม่ได้ไม่พูดถึงไอคนที่ได้มันโชคดีมันเป็นจังหวะมันสุขเนี่ยขอขอแล้วก็มันจะได้อยู่แล้วมันไม่ขอมันก็ได้แต่พอมาขอแล้วมันได้มันก็เลยมาบวกกันว่าอันนี้พอมาขอมันถึงได้มาใจมแต่คนอีกร้อยคนมาขอไม่ได้ก็ไม่ได้พูดอะไรเงียบไป ต่อไปลองไปเก็บสถิติดูสิตรงที่คนก็ไปขอกันเนะี่ให้สอบแบบเอาจากแบบสอบถามหน่อยว่าคุณมาขอแล้วคุณได้หรือเปล่าเนี่ยให้เขาให้เขาตอบมาดูเนี่ยจะได้รู้ความจริงว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงมันไม่เป็นจริงหรอถ้าเป็นจริงก็ไม่ต้องทำอะไรกันเนละยที่ตัวเรากรรมไงกรรมกรรมว่าคือการกระทำจะทำกรรมอันใดไหวดีหรือเชื่อจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ทำดีก็รวยได้ขยันหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองเดี๋ยวก็รวยไปศึกษาชีวิตของคนรวยก็ดูเขารวยกันยังไงเขารวยเพราะเขาหากันทั้งนั้นเดี๋มหาเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกตอนนี้ในบิลเกตี ด, ด้เขารวยเพราะอะไรเขาเรียนหนังสือแล้วเขาก็ออกจากเรียนหนังสือเขาก็ไปทําขอมไปเขียนโปรแกรมโปรแกรมนี้กับขายดีก็เลยรวยขึ้นมาท่านนี้เขาไม่ต้องไปขอใคร ไปถามบลเกยอาไปขอใครหรือเปล่าเขาไม่ขอหรอกคนรวยๆนี่เขาไม่ขอทั้งนั้นมีแต่เขาหากันเนีย่ยไปถามว่ามาหนูจะถามเรื่องการฆ่ากิเลส่ะคะว่าทำยังไงแล้วฆ่าฆ่ากิเลสโดยเจริญสติใช่ไหมใช่หมเจ้าคะก็ทั้งสติทั้งปัญญา เช่นเวลาเราอยากจะกินกาแฟองี้ชอบกินกาแฟเป่าเราชอบกินอะไรนะชอบกินขนม อ, อ่าเวลาทุกครั้งอยากจะกินขนมก็พูดโธพูดโธไปอย่าไปคิดถึงขนมถ้าเราฆ่าได้แล้วคื อ, คอก็คือก็ดูมันจะล่าฆ่าไปเลยเออจะมันจะไม่กลับมาใช่จะฆ่าอย่างราค้าวนี้ต้องใช้ปัญญาเช่นขนมเนี่ยต้องดูเวลามันกลายเป็นขี้เราทุกครั้งอยากจะกินขนมก็นึกถึงขี้ ต่อ้ปมันก็จะไม่อยากกินแต่ถ้ายังเห็นว่ามันอร่อยมัน น, น่ากินอยู่มันก็ยังอยากอยู่แต่ถ้าคิดว่าเวลามันเข้าไปในปากแล้วมันเป็นยังไงเวลาคลายออกมาเรายังอยากจะตักกลับเข้าไปกินได้หรือเปล่าหรือเวลามันอยู่ในท้องแล้วอาจี้นออกมาถ้าเราอยากกินแต่ว่าไม่ได้กินก็ได้มีมาให้กินก็ดีอย่างนี้นคะ่ะถ้าเราถ้าเราไม่ได้ไปหาเองไม่เป็นไรถ้าเฉยๆก็อยากกินแหล ะ, ะแต่ว่า ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ิ่งไปหานก็ได้ก็ดีก็ดีได้ถ้าสมมุติว่าเราต้องไปถือศีลแปดอยู่วัะเจตวันสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดให้ทำให้มากที่สุดนั่นคืออะไรคะก็ทุกอย่าง่ะศีลก็ต้องรักษาให้มากที่สุดสติก็ต้องมีตลอดเวลาสมาธิก็ต้องนั่งบ่อยๆปัญญาก็ต้องคิดบ่อยๆว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของไม่ดีเป็นทุกข์ เพรเดี๋ยวมันจะแปะกลายเป็นขี้ไปเช่นขนมอย่เงี้ยถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะไม่อยากกินต้องมีทั้งหลายๆอย่างช่วยกันอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอเหมือนเชือกก็ต้องมีหลายๆเส้นมันจะได้มีกําลังมากกว่าเชือกเส้นเดียวเชือกเส้นเดียวลัดกิเลสมันแบ่งมันแบ่งปุ๊บก็ขาดเลยงั้นเราต้องเอาสามสี่เส้นมามัดมันเอาศีลมามัดเอาสติมามัดเอาสมาธิมามัดเอาปัญญามามัดนี ถ้ามีอยู่สี่เส้นนี่มันจะไม่มีทางที่จะดิ้นได้ศีล <Yeah. S 1> ก็ต้องห้ามอยู่แล้วไม่ให้กินนะหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพออยากกินก็กินไม่ได้แล้ว mm. แต่มันก็ยังอาจจะคิดอยู่คิดอยู่ก็ด้ให้สติหยุดมันถ้าไม่ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะแหกแหกศีลไปมันจะขอกลับบ้านมันที่อยู่ได้ไม่กี่วันอยากจะกลับบ้านแล้วเพราะทนไม่ไหว <Yeah. S 1> เพราะมันถึงแม้ จ, จะมีศีลแต่มันไม่มีสติที่จะหยุดความคิด นก็ต้องใช้สติหยุดความคิดแล้วก็ต้องนั่งเฉยๆมันจะได้นิ่งจะได้สงบถ้านั่งเฉยๆไม่มีสติมันก็ไม่นิ่งไม่สงบพอมันสงบแล้วพอมันออกจากความสงบมาก็ใช้ปัญญาสอนมันมาเห็นไหมที่กินไปแล้วมันออกมาเป็นอะไรไม่กินก็ไม่ตายแล้วไม่กินจะสบายกว่าต่อไปจะไม่มีความอยากไม่มีกินก็ไม่เดือดร้อน ถ้ามีความอยากแล้วพอพออยากกินแล้วมันไม่ได้กินนี่มันทุกข์ลวแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะเฉยเฉยมีก็ได้ไม่มีก็ได้ต้องฝึกต้องใช้หลายๆอย่างนมันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอสินอย่างเดียวก็ไม่พอสติอย่างเดียวก็ไม่พอต้องปัญญาด้วยถ้าเห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแค่ปลายลิ้นนอเ้า็ไปใน เข้าไปในคอแล้วมันหายไปหมดแล้วความสุขที่ได้จากกินขนมแล้ น, นั้นครับต่อเอาเลยชั้นภูมิชั้นเทวดาเนี่ยครับเอทําไมพวกท่านเขาถึงมาเวียนว่ายแต่เกิดอี๋ทาไมเขาไม่สมาที่ต่อขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้มันก็เหมือนกับเอาเงินไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยใช้เที่ยวไปเดียวก็ใช้หมดใช่ไใช้หมดก็ต้องกลับมาทํางานใหม่มาหาเงินใหม่ พบของมนุษย์นี้เป็นพบที่เรามาหาบุญหากุศลกันมามาเติมบุญกันทําสมที่ต่อขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมครับอตอนที่มันไปมันไม่ได้ไปทำแล้วมันไปเที่ยวกันมันไม่ได้ไปหาเงินแล้วมันไปเที่ยวกันสมมติว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วแล้วเราทําต่อเรามีสติเป็นเป็นเทวดาเป็ด น, นางฟ้าอะไรองนี้มีสติแล้วก็จเจริญต่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมปัญญามันปัญญาไม่ไม่เจริญกันเนี่ยมันจะมันก็เลยฉ มันจะสร้อยความสุขกันมันไม่มันมันไม่จะมามันจะมากลับมาเกิดใหม่มันมันพอมันความสุขหมดนะมันถึงจะมาหาความสุขสมมติว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยปฏิบัติทำอยู่ช่วงกลางๆางเงี้ยแล้วธาตุขันเนี่ยดับไปก่อนเนี่ยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อขึ้นไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทําใหม่ก่อนถ้าเป็นงั้นถ้ามันอยู่ในระดับมนุษย์ตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปาบายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำใช่มนุษย์ทางเดียวใช่ไหมครับต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเป็นที่สร้างบุญสร้างบาปจะหลุดทีเดียวเลยถ้าอยากจะหลุดก็ต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาจะสอนว่าให้มาบวชกันมามาถือศีลมาตัดความอยากกันไปต่อเบื้องบนไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้นอกจากถ้าเป็นพระอริยะเจ้าแล้วได้พระอริยเจ้านี้ท่านไปด้วยปัญญาท่านไม่ได้ไปด้วย ด้วยดวยดยสติสตินี้ไปแล้วมันจะหมดกําลังแต่ถ้าไปด้วยปัญญามันไม่หมดเช่นพระอนาคามีนี่พอตายไปจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกละแต่จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นผอมแล้วปฏิบัติต่อได้เพราะท่านใช้ปัญญาพาไปแล้วปัญญาตัวนี้ก็จะพาท่านไปขึ้นขั้นสูงกว่า น, นั้นได้แต่สติมันไม่มันไม่พาไปสติมันก็เพียงจะทําให้จิตนิ่งเฉยเฉยท่นเองแล้วพอกําลังสติอ่อนลงมันก็จะเสื่อมลงมา มีคำถามเข้ามาอีกยงเข้ามา่อคำถามจากคุณเกียงไก่ค่ะการเข้าอัปนาสมาธิเมื่อถึงจุดนิ่งและจิตเป็นสมาธิตั้งมันมาแม้จะมีเสียงรอบข้างบ้างก็ไม่รบกวนถึงจิตแต่ยังได้ยินอยู่ส่วนความคิดเกิดขึ้นน้อยคล้ายหมอกควันจางๆที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอยากกลบเรียนถามว่าการทาอัญหาสมาธิต้องถึงขนาดหูดับ และไม่มีความคิดหรือคำพูดในจิตเลยใช่หรือไม่ครับก็ได้ทั้งสองอย่างขอให้มีอุเบกขาก็ใช้ได้ขอให้ใจเราเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้ยินเสียงก็เฉยๆร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เฉยๆไม่รู้สึกรำคาญอย่างนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี้จะทาให้ใจเราไม่ไม่ดิ้นไม่สั่นเวลาที่เห็นอะไรเราอยากได้ขึ้นมามันจะเฉย แต่ถ้าไม่มีโมเดลขานี่พอเห็นอะไรอยากได้นี้มือไม้สั่นไปหมด <ừ. S 1> จนกระทั่งทนไม่ไหวจะต้องไปเอาของที่เราอยากได้มากินมาดื่มกัน <ừ. S 1> แต่คนที่มีสมาธิก็จะเฉยๆได้แล้วก็จะใช้ปัญญาบอกว่า อ, อ, อย่าไปทำเลยถ้าไปทําตามความอยากก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆ <ừ. S 1> กินขนมอันนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋วก็อยากกินใหม่ <ừ. S 1> แต่ถ้าเราไม่ไม่กินตามความอยากก็ต่อไปเราก็จะไม่ต้องกินอีกต่อไป ถ้าจะกินก็กินเพราะเวลามันจําเป็นจะต้องกินก็กินได้แต่กินด้วยความจําเป็นกินเหมือนกินยาไปถ้ากินด้วยความอยากมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดเวลาเวลาอยากแล้วไม่ได้กินก็มือไม้สั่นใจสั่นไปหมดแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วใจเราจะไม่สั่นเราจะสบายไม่เดือดร้อนคำถามจากคุณหลง คำถามจากคุณหลวงรู้ค่ะค า, ารวะที่บรรลุธรรมสามารถบอกเห็นส า, สามารถบอกสิ่งที่เห็นที่รู้ให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ถือว่าผิดศีลใช่ไหมคะเป็นความจริงก็ไม่ผิดนถ้าไม่เป็นของจริงมันก็ผิดไม่ว่าจะเป็นพระหรือค า, ารวะบอกได้พระพุทธเจ้าองนี้ก็บอกไม่ได้เลยว่าท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านไปนิพพานแล้วแต่มันเป็นความจริงท่านก็บอกได้ แต่ถ้าท่านไม่ได้ไปนิพพานแล้วท่านบอกท่านไปนิพพานเนี้มันก็ไม่ได้เพราอมันโกหกถ้าพูดความจริงพูดได้ในแต่สมัยนี้พูดความจริงคนก็ไม่เชื่อกันเขาชอบความไม่จริงกันถ้าใครมาบอกว่าเป็นพาาระหลานนิ่งเต้นกันใหญ่เลยอาว่าโกหกแล้วเพราะไม่มีใครเชื่อถึงแม้ว่าจะเป็นเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมป้า้คนที่มาโกหกมันมีอยู่เยอะก็เลยไม่รู้จะเชื่อใครดี เดี๋ยวคนไม่เป็นน า, ารหันเลยบอกไม่ได้ว่าเป็นเขาบอกไปแล้วเขาคิดว่าโกหกอยู่ดีอภัยไหมําถามจักรุณารามีค่ะตอนนี้ทุกใจเจ้าค่ะลูกเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับผู้หญิง ม, มีลูกคนเดียวค่ะขอบพระอาจารย์แนะนําด้ยวยค่ะก็ดีแล้วบอกคนจะคิดว่าคิดว่าเขาตายจากเราไปก็หมดเร็วพ อ, อไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายจากกันทุกเพราะอนิจจ์ไงไม่ไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจง ไม่เห็นว่าลูกเราสักวันหนึงจะต้องมีการพัดผ้ า, าจากกันไม่จากกันตจากกันเป็นก็ต้องจากกันตายอยู่ดีอย่างนั้นจากกันเป็นก็ยังดียังมีโอกาสเจอกันใหม่ได้ถ้าจากกันตายก็ไม่ได้ไไดเจอกันแล้วอมองอย่างนี้แล้วเราก็จะหายทุกข์ถ้าเข้าไปแล้วก็มีความสุขก็ดีเราก็ได้สบายไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาเลี้ยงดูไม่ต้องเสียเงินองนั้นเดี๋ยวก็มาขอเงินอยู่เรื่อยคำถามจากคุณศิริค่ะ นั่งสมาธิแล้วจึงฟังเทศได้ไหมคะเพราะลูกไม่มีปัญญาคิดไปทางพิจารณาร่างกาย ค, คะ่ะได้ได้ยังสมาธิก่อนแล้วเขาฟังก็ได้เรือกฟังไปพร้อมกันก็ได้เวลาฟังมันก็ทําสมาธิทําปัญญาไปได้ด้วยกันพร้อมกันได้ถ้าเราตั้งใจฟังแต่อย่าไปนั่งฟังเทศหรือว่าก็พุทโธแข่งกับการฟังเทศก็แล้วกันถ้านั่งฟังเทศก็เอาเสียงทำเนี่ยเป็นพุทโธแทน คำถามจากคุณสมใจค่ะมีลูกชอบนอนทั้งวันไม่ทำอะไรควรทำจิตแบบไหนเจ้าคะตอนนี้ทุกใจกับลูกมากมากค่ะแ ม, แ ม, แม่แม่คนนั้นทุกเพราะว่าลูกไม่ลูกไม่อยู่แม่คนนี้ทุกเพราะลูกอยู่มันทุกเท่านั้นน่ะทุกเพราะความอยากไอคนที่ไปก็ไม่อยากให้เขาไปก็ทุกไอคนที่อยู่ก็ทุกเพราะอยากให้เ ข, ขาขยันแต่เขาขี้เกียจก็ทุกอีกมันอยู่ที่เราอ่ะมันอยู่ที่ความอยากของเรา อย่าไปอยากสิเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เขาจะขี้เกียจก็เรื่องของเขาเขาจะไปก็เรื่องของเขาเราไปยุ่งกับเขาเองเข้าใจไหมทุกเพราะความอยากของเราเองอยู่ก็ทุกเพราพรอยากให้อยู่อีกแบบหนึ่งเพราะไม่อยู่ตามที่อยากให้อยู่ก็ทุกไอคนที่ไปก็ทุกเพราะอยากให้อยู่พอไปก็ทุก ปัญหาก็คือความยากเท่นั้นแหละไม่อยู่ที่ตรงไห น, นหรอกคาถามจากคุณซีซั่นค่ะ <c oughs> ฟังทำทางออนไลน์ได้บุญเหมือนกับไปกราบท่านด้วยตนเองหรือไม่คะอ่ามันก็เสียงกันเดียวกันไม่ใช่นะี <c oughs> มันไปต่างกันตรงไหนแหะบุญจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ว่าเราฟังแนละ้วเข้าใจหนระือไม่เข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจเข้าหูซ้ายออกหูขวาก็เหมือนท้าพีในหม้อกแกง <c oughs> มันก็ไม่ได้บุญทนะ้าพีมันไม่รู้รถของแกงใช่ไหม แช่อยู่ในหม้อกี่ชั่วโมงมันก็ไม่รู้เป็นแกงเผ็ดหรือแกงอะไรใช่ไหมมันต้องเป็นถ้าฟังธรรมต้องฟังแบบลิ้นกับแกงหยดเดียวไปติดก็สัมผัสกับลิ้นลิ้นก็รู้แล้วว่าเป็นแกงอะไรถ้าอยากจะฟังธรรมก็ได้บุญต้องฟังแบบลิ้นกับแกงคือฟังแล้วต้องเข้าใจต้องรู้ว่ากําลังพูดถึงเรื่องอะไรไม่ใช่ฟังไปใจก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายของธรรมที่ฟัง ถ้าฟังแบบนั้นก็ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลคำถามจากคุณยอดลอยค่ะเมื่อคืนได้พยายามเจริญสติตามที่พระอาจารย์บอกแต่ใจไม่สงบเพราะโมโหคนร้ายที่มายกตู้บริจาคที่เรารับผิดชอบอยู่ไปทำให้เวลานั่งจะนึกหาวิธีที่จะทำอย่างไรไม่ให้มันมาขโมยและจับตัวให้ได้ ใส่อีกใจก็พูดโธสู้กันตลอดเวลาจนเกือบสงบ <c oughs> แต่รู้สึกเหนื่อย <c oughs> เหงื่อออกเต็มตัวและแน่นท้องขอถามพระอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรคะเพราะใจเราไม่อยู่ในปัจจุบันไงเราไปอยู่อดีตอดีคือตู้บริจาค <c oughs> มันหายไปแล้วยังคิดอยู่นั่นเนี่ยถ้าเราอยู่ปัจจุบันมันก็หายไปนานแล้วมันก็หายไปจากใจแต่เราไม่ยอมไม่มันหายไปจากใจเรามันหายไปจากกายแล้วแต่ใจเรายังไม่ยอมปล่อยยังแบกมันอยู่ พราะเรามีสติน้อยไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้จิตมันชอบย้อนไปคิดถึงอดีตพอคิดถึงอดีตก็ไม่สบายใจไม่สงบนั่งสมาธิก็เลยนั่งไม่ได้ผลเพราะจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันยิต จ, จิตไม่ได้อยู่กับพุทธโธถ้าอยู่กับพุทธโธมันก็จะเลืมเรื่องตื้นบริจาคไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบได้ยังต้องพยายามฝึกสติก่อนที่จะมานั่งไม่ใช่มันฝึกสติตอนนั่งมันกนําลังไม่พอ ต้งฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดต่างๆก็พุโทโธไปเวลาต้องการใช้ความคิดกับงานการก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอเสร็จจากธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดแล้วเราก็กลับมาพุโทโธใหม่ถ้าเรามีพุโทโธอย่างนี้จิตมันจะอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆ มันจะลืมเรื่องที่ผ่านมาล้วใครด่าเราเมื่อกี้นี้ลืมไปแล้วใครชมเราเมื่อกี้นี้ก็ลืมไปแล้วแต่ถ้าจิตไม่มีสติไม่มีพุโทโธนี่เขาด่าไปตั้งแต่เมื่อเช้านี้เย็นนี้ก็ยังโกรธก็อยู่เพราะยังไปคิดถึงเขาอยู่นั่นนะคิดถึงคําโกรธคําด่ดาของเขาอยู่นั่นถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันแล้วมันก็จะไม่โกรธนะแต่เราไม่ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันได้มันชอบไปหาอดีตไปหาอนาคตนะ เราถึงต้องมาฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันถ้าเรามีสติแล้วเรางทีไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้พอโกรธอะไรก็พุโทโธเดียวๆดี่ห้านาทีก็หายไปแล้วคำถามจากคุณชนะตนค่ะจากการปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอน <c oughs> เข้าใจว่าเราจะต้องสละสิ่งที่สละได้ง่ายออกไปก่อนเช่นลาบยศเงิออนทองจากนั้นค่อยๆมาสละสิ่งที่เรารับทางกายเช่น ตัวเราของเราและคนที่เรารักแล้วสุดท้ายเป็นสิ่งที่รักมากที่สุดคือใจเราเองที่คิดว่าเป็นตัวเราเองต้องสละตามลำดับจากง่ายไปยากยมเข้าใจถูกไหมค ะ, ะก็ธรรมดายอยู่นะของง่ายก็ต้องทำง่ายเวลาทำข้อสอบเนี่ยถ้าคุณเจอข้อสอบง่ายกับข้อสอบยากคุณจะทำข้อไหนก่อนก็รีบทําข้อง่ายก่อนใช่ไหมมองแต่ทำข้อยากเดี๋ยวข้อง่ายไม่ได้ทําไม่มีเวลาพอ เวลาทําข้อสอบวเวลาเจอข้อยากข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนไปหาข้อง่ายก่อนทําให้มันพ่ามันทําแล้วมันได้คะแนนเท่ากันใช่ไหมแล้วข้อยากเสียเวลามากกว่าเดี๋ยวเวลาไม่พ อ, อก็เหมือนกันเราทําอะไรก็ต้องทาของง่ายก่อนอทําของง่ายก่อนแล้วทําไปแล้วมันจะมีกําลังมากขึ้นด้วยพอเราเสียของของง่ายได้ต่อไปจะเสียของยากมันก็จะง่ายขึ้นไปตามลําดับพอมันเห็นคุณประโยชน์อของการเสียไงเสียแล้วมันมีความสุข <c oughs> มันก็เราจะมีกําลังใจที่อยากจะเสียมากขึ้นไปได้แน่ตอนต้องก็ทําบุญแค่20บาทก่อนต่อไปก็สักร้อยหนึง่งต่อไปก็สักพันอย่างเงี้ยมันจะทํามากขึ้นไปได้เรื่อยเพราะทํำเรามันรู้สึกมันมีความสุขมากขึ้นไปอาับเอาข้อสุดท้ายนะถามจากคุณพอใจค่ะ <c oughs> หากเราทําบุญประจําแต่ศีลห้ารักษาได้ไม่ครบเพราะใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกรักษาได้เพียงสี่ข้อ ส่วนการภาวนาได้มีการนั่งภาวนาบ้างอยากทราบว่าหากไปไปจะเป็นเช่นไรครับก็เป็นเช่นที่เราทำนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> คุณลองจดบัญชีดูคุณทำบุญเท่าไหร่รักษาศีลด้ร่ทำบาปเท่าไหร่แล้วก็ลองมาทำดูบวกลบคุณหารดูถ้าบาปมากกว่าบุญคุณก็ไปอบายถ้าบุญมากกว่าบาปคุณก็ไปสวรรค์ก็มีเท่านี้แหละมันอยู่ที่ มันเหมือนบัญชีเงินที่เรามีเงินบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินกู้เวลาสิ้นปีเราก็มาเช็คดูถ้าบัญชีเงินฝากมากกว่าบัญชีเงินกู้แสดงว่ากําไรปีนี้ถ้าบัญชีเงินกู้มากกว่าบัญชีเงินฝากมันก็ขาดทุนแบบเดียวกันบุญกับบาปที่เราทํามันก็เป็นเหมือนเงินกู้กับเงินฝากยังพยายามทําเงินฝากให้มากๆทําบุญให้มากกว่าทําบาปแล้วตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆ แล้วแต่กำลังของบุญที่เราทำมากน้อยเอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร์